ขอความสุขความเจริญจงมีแล่ท่านผู้ฟังทั้งหลายเสียงธรรมจากมาวิทยาลัยศรีปทุมกำลังนําเสนอประวัติของพระสารีบุตรในวันก่อนนั้นได้พูดถึงพระคาถาที่มีความสำคัญคือในข้อที่1014 ท่านบอกว่าเป็นผู้บรรลุปัญญาบารมีแล้วมีปัญญามากเป็นนักปราดผู้ใหญ่ไม่ใช่เป็นคนขคาแต่มองเหมือนคนเขาเป็นผู้ดับสนิทแล้วท่องเชี่ยวไปอยู่ทุกเมื่อคือเป็นการอาธิบายขยายถึงเหตุที่ทำให้พระสารีบุตรเป็นพระอรหันต แล้วก็อาการของท่านหลังจากบรรลุอรหันต์เป็นพระานแล้วแล้วการใช้ชีวิตของท่านหลังจากเป็นพระานจนนิพพานทีนี้มีประเด็นที่พระตกรตาอาจารย์ท่านนำมาอธิบายขยายความออกไปโดยก็ถือว่าพิสดารมากเพราะว่า เป็นประเด็นที่เกี่ยวกับปัญญาท่านบอกว่าบทคาถาว่าปัญญาปารมีตังปัตโตแปลว่าบรรลุถึงจิ่สุดแห่งสาวกกรมีญาณแล้วคำว่ามหาพุทธิแปลว่าสมบูรณ์ด้วยพุทธิปัญญามาก เพราะบรรลุถึงความมีปัญญามากกว้างขวางแจม่มแจม้งว่องไวเฉียบแหลมและมีปัญญาเครื่องทำลายกิเลสหมามติผู้สมบูรณ์ด้วยความรู้คาดหมายนิยี่สำคัญยิ่งกล่าวคือความรู้ที่สมควรแก่ทมแต่จริงพระเทระรูปนี้ประกอบด้วยคุณ มีความเป็นผู้มีปัญญามากเป็นต้นเพราะท่านบนรรลุถึงคุณพิเศษทั้งหลายอันต่างด้วยประเภทแห่งปัญญาสี่อย่าง16อย่าง44อย่างและ73อย่างคือการขยายออกไปในลักษณะนี้พึงสังเกตว่า ปัญญาสี่อย่างนั้นก็เป็นพื้นฐานแล้วก็แตกกระจายออกไปในเรื่องต่างๆจนเป็นปัญญาเจ็ดสิบสามแต่ว่ามีอะไรบ้างเนี่ยปรากฏในที่อื่นคือในที่นี่ท่านไม่ได้อธิบายไว้เพราะถ้าอธิบายก็เป็นเรื่องยาวเรื่องใหญ่มากแล้วข้อต่อไปบอกว่าไม่มี ไม่มีเหลือโดยประการทั้งปวงหมายความว่าปัญญารอบรู้ในทุกเรื่องแตกฉานเฉียบแหลมคมขายในทุกเรื่องเป็นปัญญาที่มากจังยิ่งเหมือนอย่างที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่าดุก่อนภิกษุทั้งหลายสารีบุตรเป็นบัณฑิตมีปัญญามาก มีปัญญากว้างขวางมีปัญญาแจ่มแจ้งมีปัญญาว่องไวมีปัญญาเฉียบแหลมมีปัญญาทําลายกิเลสเป็นต้นแล้วท่านบอกว่าในข้อ น, นั้นมีประกาศความเป็นบัณฑิตเป็นต้นให้แจ่มแจ้งด่งต่อไปนี้ชื่อว่าเป็นเรียญาได้ก็เพราะเหตุสีประการเหล่านี้คือ กวาเป็นผู้สลัดในธาตุหนึ่งคือถ้าตามปกติแล้วเราจะเห็นว่าก็จะกำแนกำเนกแยกแ ย, กแยกออกไปยังไงล่ะโดยทั่วไปเราก็พูดถึงธาตุสีคือดินน้ำลมไฟแล้วอากาศธาตุวิญญาณธาตุก็รวมเป็นหกนั้นก็ถือว่าเป็นการแสดงในยัดหนึ่ง มีลักษณะการเกาะกลุ่มอย่างมาโหูลานของดินน้ำลงฝ่ายอากาศแล้วก็วิญญาณแต่อย่างนั้นก็นับไม่บาดไม่ไหวทั้งนั้นนะก็ธาตุอย่างหนึ่งเป็นธาตุสิบแปดโดยจำแนกอายตนะภายในหกภายนอกหกบิญญาณหก ก็คือจักขุทาตุธาตุคือตาโสตทาตุธาตุคือหูหรือเสียงชิวหาตาตุธาตุคือลิ้นรสะทาตุธาตุคือรสกายาทาตุธาตุปุทธภาทาตุกายทาตุธาตุคือกายแล้วก็ธรรมธาตุ มโนธาตุธาตุคือใจแล้วก็พูดถึงรูปธาตุรูปเสียงกิโนตผุทธาพระธรรมรมแต่ละอย่างนี้เรียกว่าธาตุทีนี้ไปจะกกูวิญญาณโสตะวิญญาณขานะวิญญาณชิวหาวิญญาณกาญจ ว, วิญญาณมโนุวิญญาณก็ห สามก็สิบแปดอันนี้เป็นอารมณ์ของวิปัสสนาซึ่งท่านสาธุชน่าสังเกตได้ว่าเป็นเรื่องของขันธาคือย่อยมาจากขันธาแล้วก็ขยายไปเรื่อยๆตามกรอบที่เกี่ยวข้อง พอไปถึงจุดหนึ่งท่านก็เรื่องเหล่านี้นำไปขยายที่หนึ่งก็กลายเป็นอินซียี่สิบสองขันห้าอายตนะสิบสองธาตุสบปดอินซียี่สิบสองอริยสัตว์สี่ปฏิจจสมุปบาทแต่ละอย่างก็เป็นอารมณ์ของวิปัสสนาที่ทรงสอนในวิจารณาในแง่ของความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นนัตตา ก็ถ่ายถอนตัณหามานิทิชิในขันห้านี่ออกไปแต่ว่าปริญาในการแสดงนั้นก็ก็แล้วแต่จะแสดงช่วงไหนบางทีก็จะแสดงเฉพาะช่วงขันห้าบางทีก็แสดงแสดงเฉพาะอายตนะหกอายตนะสิบสองตาสิบแปดก็ไม่เอาหมดทั้งหมดก็ได้นะก็แล้วแต่จะแสดง มันก็ขึ้นอยู่กับวุฒิภาวะของผู้ฟังในขณะนั้นๆว่าเขามีปัญญาสามารถที่จะแนกคาดได้ลึกซึ้งขนาดไหนแล้วก็ธาตุเหล่านี้เราจะเห็นว่าประกอบกลุ่มแล้วมันก็มหาศาลทั้งนั้นเนี่ยเช่นรูปปรตทาห์เนี่ยธาตุคือรูปเนี่ยอะไรก็ไม่รู้ว่าที่เราสัมผัสด้วย ประสาทคือตาหูจมูกดิ้นกายก็เรียกว่ารู ป, ปราธาตุทั้งนั้นแล้วพอสัมผัสด้วยใจหรือสิ่งที่ใจสัมผัสก็เป็นอรู ป, ปราธาตุก็คือรูปนามพูดง่ายว่าคือรูปนามแล้วก็เป็นผู้ฉลาดในอาณานะ อายตนะแปลว่าที่ต่อคือเชื่อมต่อกันระหว่างอายตนะภายในกับอายตนะภายนอกเจตตาเชื่อมต่อกับรูปหูเชื่อมต่อกับเสียงจมูกเชื่อมต่อกับกลิ่นลิ้นเชื่อมต่อกับรสยินร้อนอนแข็งเชื่อมต่อกับกายแล้วก็อารมณ์เชื่อมต่อกับใจ ก็ทรงจำแนกแสดงหรือว่าท่านจำแนกแสดงออกไปเวลาไปาอธิบายขยายความต่างๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งในพวกอภิธรรมนะฮะก็จะแนกรายละเอียดเอาไว้อีกเยอะมากก็ต้องตั้งใจศึกษาค้นคว้าจดจำโดยการอ่านด้วยการเรียนและโดยการปฏิบัติ จึงจะเห็นตามที่ท่านแสดงเอาไว้แล้วก็ฉลาดในปฏิจจสมบัติคำว่าฉลาดในปฏิจจสมบัตินั้นฉลาดในเชิงปริยัติคือเรียนรู้จำได้คิดได้อธิบายได้ แต่ว่าไม่สามารถที่จะบรรเทาอาวิชชาตัญหาอุปาทานซึ่งเป็นกิเลสได้อีกหนึ่งก็จากการปฏิบัติยกขึ้นพิมิพจณามองเห็นคุณเห็นโทษชัดเจนในเรื่องเหล่านั้นาจะเห็นว่าถ้าพอเราแยกพวกปฏิจจสมบาทออกไป ตัวกลุ่มกิเลสเราก็ศึกษาในแนวของสมุทัยสัตว์ก็คือวิชาตัณหาอุปาทานแล้วก็กลุ่มของกรรมก็คือศึกษาในฐานะที่เป็นกรรมก็อาจจะดูที่ตัวเวทนาก็ได้ดูที่จิตก็ได้ดูที่ธรรมะเองก็ได้ หรือแม้แต่ดูที่กายก็ได้เพราะพวกนี้อาจจะเป็นเหตุของกรรมหรือว่าเป็นอาการของกรรมหรือเป็นผลของกรรมและนอกจากนั้นก็เป็นเรื่องของกลุ่มทุกขสัตว์งามรูปอายตนะผัสสะเวทนาเวทนาก็มองในแนวเวทนาอนุปัสสนาสติปัฏฐาน ภ า, าษาก็มองในแนวของก็แล้วแต่นะฮะมองในสายเกิดก็มองในสายของกิเลสมองในสายดับก็มองในสายของนิโรธก็ไปรวมลงที่อริยสัจทั้สี่ประการปฏิจจสมุปบาทถ้ารู้ระดับรู้เนี่ยมันเป็นผลจากการศึกษาการปฏิบัติ แล้วก็เกิดยานความรู้ผุดขึ้นในปฏิจจสมุปบาทเป็นการรู้เห็นตามความเป็นจริงสามารถดับวิชาตันหาอุปาทานได้อย่างอื่นก็ดับหมดลนละเพราะอะไรเพราะมันเป็นผลวิชาตนาอุประธานก็เหมือนกับรากของต้นไม้ ที่ราโกนทำลายแล้วไอ้กิ่งก้านสาขาจะเท่าไหร่ก็ช่างมันน่ไม่จำเป็นจะต้องไปนับแต่หมายความว่ามันก็ตายไปด้วยคนเราที่เวียนไห้ตายเกิดอยู่ในสังสารวัฏเนี่ยปราณุนท่านเคยกราบทูลพระพุทธเจ้า ว่าปฏิจจสมบาติในสายตาของคนอื่นอาจจะรู้สึกว่ามันลึกซึ้งยากต่อการเข้าใจแต่ว่าในความรู้สึกของท่านมันรู้สึกมั น, มนตื้นมันง่ายต่อการที่จะทำความเข้าใจพจิจารรับสั่งว่าอย่ารับสั่งอย่ากล่าวอย่างนั้นอ น, อนุนเพราะความไม่รู้ปฏิจจสมบาติของเราและเธอทั้งหลายนี่แหละ ที่เป็นเหตุให้พวกเราต้องหมุนวนอยู่ในสังสารวัตรเกิดแก่เจ็บตายโดยไม่มีที่สิ้นสุดเนี่ ย, ยหลักจริงๆก็เพระดไม่รู้ปฏิจจสมุปบาทตามความเป็นจริงที่มันเป็นความรู้ในความหมายทรงนี้หมายถึงบาณะปริญญาหรือส่วนที่เป็นโทษแล้วก็ละได้ รู้ส่วนที่เป็นคุณแล้วก็ปฏิบัติได้อย่างสังขารร่างกายเนี่ยมันเป็นทุกข์เรายึดมั่นถือมั่นไว้เท่าไหร่มันก็เป็นโทษเท่านั้นเผลนต์แต่เรารู้มันจริงเราก็ดับได้แต่ที่ดับไม่ได้เนี่ยก็หมายความว่ารู้ระดับเรียนรู้หรือรู้ระดับคิด ยังไม่ถึงระดับรู้ด้วยหยาดเราจรึงยังดับไม่ได้ความเป็นผู้ฉลาดในฐานะและอาฐานะฐานะนั้นคือเป็นไปได้อาถานะคือเป็นไปไม่ได้สิ่งต่างๆมันก็จะอยู่ในกดตรงนี้เช่นเป็นฐานะคือเป็นไปได้ ที่คนเกิดมาแล้วจะต้องแก่จะต้องเจ็บจะต้องตายจะต้องพลัดพรากสูญเสียแต่ในขณะเดียวกันตรงเนี้ยมันก็เป็นอันธนะคือเป็นไปไม่ได้ที่คนเกิดมาแล้วจะไม่แก่จะไม่เจ็บจะไม่ตายจะไม่พลัดพรากเป็นฐานะคือเป็นไปได้ที่สังขารทั้งหลายั้งปวงไม่เที่ยงสังขารทั้งหลายต้องปวงเป็นทุกข์ทั้งปวงเป็นอนัตตา เป็นอาถรณะคือเป็นไปไม่ได้ที่สังขารนั่งหลายเที่ยงสังขารนั่งหลายเป็นสุขทำทั้งปวงจะเป็นอัตตาตัวตนเป็นฐานะคือเป็นไปได้ที่คนทําความดีแล้วจะบังเกิดในสุกติเพราะผลข้อการทําความดีเป็นอาถรณะคือเป็นไปไม่ได้ ปีคนทำความชั่วแล้วจะบังเกิดในสุกติเพราะผลของการกระทําชั่วอันนี้เขาเรียกว่าผู้ให้กระชับรัดขุมเพราะว่าอะไรเพราะว่าในแง่กฎของกรรมเนี่ยคือกรรมมันเป็นนาตกานานไกลอย่างหนึง่งกรรมที่เป็นชาติก่อนอย่างหนึง่งกรรมที่เป็นชาติปัจจุบัน ตลอดถึ้งปีก่อนก่อนเดือนก่อนก่อนวันก่อนก่อนชั่วโมงก่อนก่อนขนะก่อนก่อนแล้วก็ดีปนคละกันไปดีชั่วปนคละกันไปผลการที่คนคนหนึ่งเราเห็นพฤติกรรมเขาเป็นคนเลวในปัจจุบันแต่อย่าลืมว่ามีกรรมสองอย่างที่เรายังไม่รู้ ก็คืออดีตกรรมที่เป็นอนดีตนานไกลจนมาถึงชาติก่อนก่อนแล้ว ก, กรรมในชาติก่อนมันก็ดีชั่วบนข้ากันไปอีกนั่นแหละตอนคนที่ทำความชั่วในปัจจุบันตายแล้วจะบังเกิดในสุกติก็ได้แต่ถ้าบังเกิดในสุกติ ก็เพราะอาดิตกรรมมาทำหน้าที่เป็นชนกกรรมคือ น, นำเขาไปเกิดหรือเพราะว่าจิตเกิดเป็นเดียวนึกถึงความดีอย่างใดอย่างหนึ่งในอดีตอดีตก็คือวันก่อนเดือนก่อนปีก่อนเนี่ยปีก่อนก่อนแล้วใจผ่องใสขึ้นในขณะที่ดับจิตแต่แล้วก็บางมาเกิดในสุขติ ผลการบังเกิดในสุกติของเขามันเป็นผลจากความดีในชาติก่อนๆ ก, กับความดีในวันก่อนๆเดือนก่อนๆแต่เป็นาฐานะคือเป็นไปไม่ได้ที่เขาจะบังเกิดในสุกติเพราะการกระทำความดีเป็นเหตุแล้วก็เป็นฐานะคือคนทึ่ทาความชั่วแล้วตายไปจะบังเกิดในทุกติ เป็นฐานะที่คนที่ทำความดีแล้วตายไปจะ บ, บงังเกิดในสุขติอันนี้เรียกประลงตัวเพิ้งสูตรต่างๆที่เราศึกษาแล้วเรียนมาที่เราอ่านมาที่เรารู้มาบางทีก็พูดเป็นกลางๆว่าสัตว์โลกก็เป็นไปํากรรมกรรมดีหรือชั่วไม่ได้บอก แต่ว่าผลที่เกิดนั้นจะเกิดขึ้นมาจากกรรมดีหรือกรรมชั่วผลเขาก็ต้องเป็นไปตามกรรมแต่ในที่นี้ไม่ได้บ่งชี้ว่ากรรมดีหรือกรรมชั่วบางทีก็บ่งชี้คนทําดีได้ดีทําชั่วได้ชั่วนี่บ่งชี้หรือว่าคนนี้ทําความดีเอาไว้ ย่อมบันเทิงในโลกนี้ละโลกนี้ไปแล้วย่อมบันท heter, เทิงเขาย่อมบันเทิงในโลกทั้งสองเพราะมองเห็นว่าตนได้ทําความดีเอาไว้นีก็ ed, ให้เห็นทั้งระบบเห็นทั้งกระบวนแหละทีนี้บางทีก็เห็นอีกระบบหนึ่งก็คือระบบความชั่วคนที่ทําบาปกรรมเอาไว้ย่อมเดือดร้อนในโลกนี้ละโลกนี้ไปแล้วย่อมเดือดร้อนเขาย่อมเดือดร้อนในโลกทั้งสอง เรามองเห็นว่าตนได้ทำความชั่วเอาไว้อันนี้ก็คือรู้ฐานะหรืออาถรรพแต่ที่เราข้องใจสงสัยกันเยอะในสังคมไทยก็คือเราไม่มองให้เชื่อมโยงระหว่างเหตุกับผลและส่วนมากเราจะใช้เหตุปัจจุบัน โดยลืมไปว่าเหตุเนี่ยมันอยู่อดีตไกลใกล้ๆกับพวกพันไม้เลื้อยทั้งหลายเนี่ยคือบางทีเราเห็นผลมันปรากฏในที่ห่างหลายๆเส้นเราจะไป น, นึกว่าไอ้ตัวเหตุของมันเนี่ยตัวรากของมั น, นยอยู่ตรงนั้นเองมันไม่ได้หรอกเพราะมันเลื้อยมา จะเราไปต่างจังหวัดเนี่ยเราจะเห็นได้ง่ายๆชาวสวนที่ปลูกพันธุ์ไม้เลื้อยทั้งหลายเนี่ยบางทีโคนมันอยู่ไกลมันเลื้อยเข้ามาเรื่อยเขาก็ต่อสะพานมาเรื่อยมันเลื้อยไปแต่ว่าสาเหตุมันอยู่ไกลที่มันถูกตัดมันถูกข้นมันก็ไปตัดที่ตัวเหตุ มันก็เหี่ยวมันก็เฉาตอนปลูกก็มีลักษณะอย่างนั้นนั่นคือเรื่องฐานะและอาฐานะเห็นไหมว่าสีเรื่องใหญ่เนี่ยมันเป็นความรู้ที่ถูกต้องจริงๆต้องรู้ด้วยญาณไม่ใช่รู้ด้วยความคิดเอาอย่างข่าวคราวต่างๆทังสื่อทั้งหลายนี่ให้ลองสังเกตคือเขาใช้เหตุเฉพาะปัจจุบัน แล้วก็พูดถึงผลซึ่งมันเป็นอดีตมาแล้วนะผลสอนนั้นที่จริงเป็นผลในอนาคตของการกระทําในในอดีตใกล้ๆเหตุการณ์เกิดขึ้นตอนเช้าไปราย ง, งานตอนหัวค่ําเนี่ยแล้วก็วันเดียวอ่ะเหตุก็อยู่ในวันเดียวผลก็อยู่ในวันเดียวแต่เราไม่ได้มองสืบสาวไป าทำไมยึงเป็นอย่างนั้นทำไมยังเป็นอย่างนั้นถ้าเราไปวินิจฉัยใกล้ๆแล้วนี่เราจะตัดสินไม่ถูกอ่าสมมติประวัติประสาทบุตรเราจะให้เหตุผลว่าเพราะท่านเกิดในวันน้าพรามจึงฉลาดมันก็ไม่ถูกอ่ะเราเป็นลูกคนรวยมันก็ไม่ถูกอ่ะกระแตกฉานในไยเพศเวททางกศาสตร์มันก็ไม่ถู ก, ก, นน ก, ม, ก, ม, ถกมันไม่ใช่เป็นเทุ ที่ทำให้ท่านบรรลุมรคนเป็นพระหรันแต่ก็เป็นปัจจัยประกอบอย่างหนึ่งของกิเลสกรรมวิบากเพียงแต่ไม่ใช่ทั้งหมดประเอ็ดกรรมหมดนั้นมันมีมาก่อนนานไกลหรือเกินอย่างที่ท่านเล่าประวัติในตอนต้นของพระสารีบุตรว่า บำเพ็นเพียนปรารถนาการบรรลุมรรคผลเป็นพระหันจนเป็นอักษาวกของพระพุทธเจ้าในาศาสนาของพระพุทธเจ้าในอดีตย้อนหลังไปเป็นแสนกับหนึ่งสมแขกกับก็ไม่แสนกับโอ้ยเราไม่มีปัญญาไม่รู้ถึงขนาดนั้น การตัดสินใจปัญหาจริงค่อนข้างง่ายไปแล้วมันก็ไม่มีความสมเหตุสมผลบางทีเรื่องเหล่านั้นเราไม่รู้ทั้งระบบมันแต่เราก็ตัดสินด้วยพื้นฐานความเข้าใจของเราวันก่อนเจอหมอใหญ่ท่านหนึ่งท่านพูดแปลก นันบอกเป็นไปไม่ได้หละคนที่มีฐานะยากจนมาก่อนจะสามารถประกอบอาชีพร่ำรวยเป็นเศรษฐีได้เป็นไปไม่ได้เอาคนที่รวยมาจากคนจนคนจนมาก่อนทั้งนั้นเพียงแต่ว่ามันรวยเร็วหรือรวยช้า บางคนเริ่มปู่รุ่นรุ่นปู่ในเริ่มก่อร่างสร้างตัวปู่แกพ่อจเจริญเติบโตขึ้นมาได้ช่วยเหลือปูปู่เป็นเศรษฐีไม่กี่ปีก็ตายพ่อเป็นเศรษฐีต่อจะปู่แต่ลูกตอนเกิดมา น, นี่มันเกิดเป็นลูกเศรษฐี ทีนี้ถ้ากาเราว่ามันเป็นไปไม่ได้เราไอเด็กเล็กๆจะเป็นเศรษฐีได้ไงแต่เราไม่ลืมว่าเราอย่าลืมว่าเขาเริ่มฝ่อร่างสร้างตัวมาตั้งแต่รุ่นปู่แล้วก็รุ่นพ่อพอรุ่นเขาเขาก็เกิดมาบุญกองเงินกองทองแล้วเขาก็เป็นเศรษฐีได้เร็ว เดี๋ยวนี่คนบางคนมีปัญญาเนี่ยปัญญามันประเสริฐกสัพย์ช้จ่ายไม่มีที่สิ้นสุดยิ่งชายย้ายิ่งเพิ่ม้อฉลาดคิดฉลาดมองเข้าใจปัญหาต่างๆชัดเจนรู้เรื่องเป็นระบบเขาก็รวยได้เขาก็เป็นนักปราดได้เขาก็เป็นเศรษฐีดได้เขาก็เป็นนักบวชที่มีความสามารถได้ ดันั่นคือเรามองไม่สืบสาวแบบปฏิยาการนี่แหละเราไม่ได้มองสืบสาวแบบปฏิยาการเราไปมองแบบฐานะหรืออาฐานะคือถ้าอาฐานะแล้วมันเป็นไปไม่ได้เลยเช่นว่าคนชั่วตายไปบังเกิดในสุกติด้วยผลของการทำชั่วแต่ไม่เป็นเสดว่าเขาเกิดไม่ได้ หรือเป็นอาธาระที่คนทำดีแล้วจะตกนรกเพราะผลจากการทำดีอันนี้เป็นอาธาระ์ทเป็นไปไม่ได้ในแง่ของกรรมนะฮรในแง่ของสังคมในบางทีเราก็เอาไม่ได้เือนกันเพราะสังคมมันเป็นเรื่องคนนะคนกับคนคนไม่ก็มีกิเลส ใครจะอยู่ในฐานะใดก็ตามถ้ายังเป็นปุถุชนมันก็มีกิเลสั้งนั้นนี่ให้แต่งตัวก็หรูหรายังไงมีเครื่องประดับมีอิสซียพรอยังไงก็ตามก็คือคนน่ะบางทีเขาอาจใชยอารมณ์บางทีอาจอาจจะลำเอียงเพรนะ้อาจจะเกิดอายุติธรรมแก่คนดีได้หรือว่า เกิดอายุติธรรมไปยกย่องคนสัวก็ได้มันไม่ใช่กฎของกรรมอันนี้ไม่กฎของกรรมคือฐานะแล้วฐานะนั้นเป็นกฎของกรรมเรรม่าเหตุเป็นอย่างนี้ผลจะต้องเป็นอย่างนี้เหตุเป็นอย่างนี้ผลจะต้องเป็นอย่างนี้จะเป็นอย่างอื่นไม่ได้เวลา น, นี้เราก็พัฒนาอะไรขึ้นมาเยอะก่อนดูเขานำเที่ยวสวนก็เห็นต้นไม้ต้นหนึ่งก็ มีลูกเป็นห้าชนิดเตียวกันพอเรามองดูกลางกลางลำต้นเราก็เห็นว่ามีการต่อตามีการทาบกิง่งหมายความว่าเอากิ่งของต้นไม้ชนิดนั้นๆมาทาบกิ่งกันมันก็ให้ผลไปตามชนิดของกิ่งไม้นั้นๆเพียงแต่ว่า อาศัยความฉลาดในการต่อตาของบุคคลเท่านั้นเองแต่ก็ไม่สามารถจะเปลี่ยนแปลงกิ่งมะนาวให้เป็นกิง่งให้เป็นมีผลเป็นมะม่วงได้แน่นอนตัวต้นรากตัวรากเนี่ยอาจจะเป็นต้นมะม่วงแต่กิ่งมันเป็นมะนาวกออกลูกเป็นมะนาวกินเมนมะปรางก็ออกลูกเป็นมะปรางกินเป็นมังคุดก็ออกลูกเป็นมังคุดนี่คือ ฐานะเป็นไปได้แต่ เ, เป็นไปไม่ได้ที่จริงซึ่งเป็นมะม่วงแล้วจะออกลูกมาเป็นมังคุดเพราะในกฎตัวนี้สี่หลักเนี่ยโดยจะเห็นว่าเป็นผู้ฉลาดในธาตุเป็นผู้ฉลาดในอายตนะเป็นผู้ฉลาดในปฏิจจสมบาทเป็นผู้ฉลาดในฐานะและฐานะ ในการแสดงวิภาคคือการจำแนกจำแนกแยกแยะออกไปชัดเจนอันนี้เป็นเหตุของสิ่งนี้อันนี้เป็นเหตุของสิ่งนี้เมื่อสิ่งนี้เกิดสิ่งนี้ก็เกิดสิ่งนี้เกิดสิ่งนี้ก็เกิ ด, ก เ, กดเพราะท่านมีปัญญาปัญญามากระบาลีรับรองไว้ดังนี้ทีนี้ประการต่อไปคือปัญญามาก ตรงนี้เราเจอบ่อยในพระบาลีเนี่ยแต่ว่าท่านไม่เคยอธิบายเราเราก็แปลทับศัพท์ไปเจ๊ก็อธิบายได้คือหมายความมาเห็นแล้วอธิบายได้แต่ว่าเต็มตามกรอบที่ท่านอนธิบายหรือไม่เนี่ยเราก็ไม่แน่ใจเพราะแต่ละคํานั้นมันมีอัตถะคือเนื้อหาเนี่ยมันกว้างขวาง เตืความลองสังเกตว่ามหามติเนี่ยมติเนี่ยเราไม่ค่อยคิดว่าคือปัญญาแต่ลองสังเกตว่ามติที่เราใช้ในเชิงผลเช่นสภาผู้แทนประชุมอภิปรายกันเราก็ลงมติมติตัวนี้เป็นอาการของปัญญาที่ผ่านการอภิปราย ผ่านการพินิจพิจาราวาระแรกวาระสองวาระสามนะกว่าจะผ่านไปได้เพอนลงมติในเรื่องอะไรก็ตามที่ยิงมันเป็นผลเป็นปัญญาที่เป็นผลก็ลงมติออกไปปริมาณก็ปัญญามากพอไหมละ่ะมองได้ไกลมองเป็นกระบวนการได้ไหมแต่มองไปไม่ไกลก็ มัธินั่นเองอาจจะนำไปสู่ปัญหาได้วนคำว่าหมามัธหมายความว่าเป็นผู้สมบูรณ์ด้วยความรู้จากคาดหมายในยะที่สำคัญยิ่งกล่าวคือความรู้ที่สมควรแก่ ร, รมแล้วก็ตั้งกอธิบายคุณสมบัติของพระเจราดังกลาว ประการต่อไปคือปัญญามากปัญญามากคือเป็นฉนัยคือชื่อว่าปัญญามากเพราะอัตวิเคราะห์ว่ากําหนดอัดใหญ่อัตตะคือเนื้อหานี่มันใหญ่เนื้อหามันใหญ่อย่างที่เราศึกษาสายพันธุ์ของสัตว์โลกตลอดถึงเชื้อสายของเหามนุษย์ เวลานี้เรานับได้เยอะต่อพันมนุษย์เนี่ยเชื้อสายมนุษย์แต่ว่านักมนุษยวิทยาเขาก็จำแนกเป็นกลุ่มๆก็สี่ห4ากลุ่มอะไรเนี้ยก็ใส่ผิวบ้างัส่ อ, อะไรอะไรต่างๆเขามีการจำแนกเอาไว้แล้วต่อไปยังคิดว่ามาน่าจะศึกษาระบบดีเดเเนี่ย สืบสายไปจนถึงกับเห็นว่าเผ่าเผ่านั้นสืบเนือมาจากเผ่านั้นเผ่านั้นสืบเนือมาจากเผ่านั้นเผ่านั้นสืบเนื่องมาจากเผ่านั้นแต่ว่างานในลักษณะนี้รัฐเองไม่ว่าประเทศใดก็ตามไม่ค่อยมีการลงทุนเพราะว่าศึกษาไปแล้วมันก็แก้ปัญหาไม่ได้ จะหมายความาถ้ามนุษย์อาศัยความเชื่อที่เขาจะรึกขีดเขียนเอาไว้อย่างถ้าเรามองว่าก็ต้นกำเนิดของมนุษย์ก็มาจากอาดามกัีวาหรืออาดามกัยอีบเทวาและถ้าคนเชื่ออย่างนั้นเองว่าเราก็คือพี่น้อง ก, กัน ตาพี่น้องการโลกมันก็ไม่เป็นอย่างเงี้ยแต่คิดได้อย่างนั้นโลกก็ไม่เป็นอย่างเงี้ยแต่เราก็ไม่ยอมรับความเป็นพี่น้องกันเอาอย่างคนไทยด้วยกันคนไทยด้วยกันเราต้องถือว่าเราควรภูมิใจอย่างหนึ่งที่การรวบรวมสร้างขึ้นเป็นประเทศไทยแล้วก็มีบุรณภาพแหแผงดินแดน เป็ที่ยอมรับของนานาระยะประเทศว่าการตั้ความไมจริงก็ตอนสมัยประชาธิปไตยเราก็ยังเสียดินแดนอยู่นะฮะเสียดินแดนตั้งสิบสี่สิบห้าครั้งด้วยกันเราก็รวมกันได้ร้อยกว่าปีแต่รวมแล้วเรามีความรู้สึกว่าเราเป็นคนไทยด้วยกัน เพรที่เป็นจุดอ่อนก็คือในบางจังหวัดยังมีความรู้สึกอาศัยอัตลักษณ์อาศัยชาติพันธุ์อยู่ก็คิดว่าต่อไปก็คงจะดีขึ้นนะแต่ถือว่าเป็นพัฒนาการที่ที่ไปได้เร็วเพราะอะไรเพราะว่าพื้นฐานส่วนใหญ่มันมาจากพุทธพุทธ่มีความคิดในแนวสเปสตา สัตว์ทั้งหลายทั้งปวงเป็นเพื่อนทุกเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้น ข, ขออย่าให้มีเวรมีภัยเบียดเบียนกันประทุสรายกันขอให้แต่และชีวิตนั้นอยู่ดีมีสุขตามสมควรแก่ฐานะของตนเราก็สวดแผ่เมตตากันอย่างนั้นอย่างน้อยที่สุดมันก็ซึมซับซึมซับในด้านจิตใจของคน สามว่าเราหลอมรวมได้ง่ายแต่ว่ายังไม่หนักแน่นนะยังไม่หนักแน่นจะวางใจจะต้องสร้างมโนธรรมสํานึกที่ดีให้เกิดขึ้นมีจุดยึดเหนี่ยวร่วมกันให้หนักแน่นขึ้นในแนวแสวงจุดร่วมสงวนจุดต่างแมายความว่าจุดต่างก็ไม่เอามาพูด เอาเจ้าพอจุดที่เราร่วมกันแล้วก็มือจุดยึดเหนียวได้เยอะสร้างความเปน็นหนึ่งอันเดียวได้เยอะแต่ว่าแต่ความสําเร็จในเรื่องของมาจากอาดามกับยีเราจะเห็นว่าเอนเนี่ยาศาสนาอิสลามกับาศาสนาคริสต์เนี่ยเขาก็ยังไม่เป็นหนึ่งกันเดียวกันคริสต์กับคริสต์ก็ยังไม่เป็นอหนึ่งอันเดียวกัน อิสลามต่างนิกายก็ยังไม่เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันก็ต้องพยายามต่อไปทีนี้ถ้าเรารู้ไปไกลเนี่ยเรารู้ไปไกลก็เห็นว่าสัปปชีวิตเป็นเพื่อนที่หมุนวนกันร่วมทุกหมุนวนกันอยู่ในสังสารวัตนี่แหละไม่ได้ไปไหนเราแล้วไม่รู้จะเบียดเบียนกันทำไม ไม่รู้จะประทุษรายกันทาไมปราดประหารกันทาไมก็ตแต่ละคนเป็นผู้อาศัยโลกนะไม่มีใครเป็นเจ้าโลกนี้เป็นเจ้าของโลกนี้แต่ละคนก็เป็นผู้อาศัยโลกแล้วก็ร่วมทุกเกิดแก่จเจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นแต่เราเข้าใจในอัตถะอย่างนั้นคือเนื้อหาอย่งังไง อย่าลืมว่าเป็นปัญญาที่ลึกซึ้งมากนะมองกระจายเป็นรักษมี ถ, ถ้าเราเข้าใจอัดถะเนื้อหาของเขาเนี่ยอย่างคำคมคมต่างๆที่เกิดขึ้นจนมาตมาคันทีกล่าวว่าโลกทั้งผองเป็นพี่น้องกันนี่โลกธาตุ ช, ชัดเจนมากเกือบรามริมคอนกล่าวว่า ประชาธิปไตยของประชาชนโดยประชาชนเพื่อประชาชนเนี่ยโอ้มันยิ่งใหญ่มากแสดงว่าเข้าถึงอัตลักษณของมันพอเข้าถึงอัตลันี่เราเห็นว่าพูดมันสั้นพูดท่าสั้นไม่ต้องพู ด, ด ย, ยาวๆหรอกตัวคำแต่ละคํามันบ่งชี้เนื้อหาที่ชัดเจนในแต่ละจงนั้นคําว่าของก็ดีคําว่าเพื่อก็ดีคําว่าโดยก็ดี มันแสดงถึงกริยาการก็ได้มันแสดงถึงสิทธิความไม่เจ้าเข้าเจ้าของก็ได้แสดงถึงต้องการร่วมแรงรูปใจกันของประชาชนเพราะว่าเป็นประชาประชาธิปไตยของประชาชนก็ต้องร่วมกันดูแลรักษาโดยประชาชนเพื่อให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน ตอนคำคำ ม, ม, มันมันมันเป็นสันทานเดชเชื่อมต่ออยู่สามคำแต่นั้นแต่ว่าแต่ละคันนั้นยิ่งใหญ่ตัว อ, อย่างที่พระพุทธเจ้า ว, วางไว้อัตถะอิตะสุขะอัตถะนั้นก็คือเพื่อประโยชน์อัตถะมันเป็นประโยชน์พิสูจน์ด้วยการหิตะคือเกื้อกูลหรือไม่เกื้อกูล ถ้าไม่เกือ้อกูลก็ถือว่าไม่เป็นประโยชน์ถ้าเกือ้อกูลก็เป็นประโยชน์แล้วก็ดูผลสรุปก็คือมีความสุขหรือมีความทุกข์แต่มีความทุกข์ก็ไม่เป็นประโยชน์ถ้ามีความสุขก็เป็นประโยชน์ผนแต่ละข้อเราจะเห็นว่าคำว่ามีปัญญามากเพราะอัตถะวิเคราะห์ว่า กำหนดอัถะคือเนื้อหาที่ใหญ่กว้างขวางมากทั้งใหญ่ทั้งกว้างทั้งลึกทั้งสูงกำหนดทำใหญ่จะทำที่สูงขึ้นไปเรื่อยๆนะสูงขึ้นไปเรื่อย ๆ, ๆจะถึงนิพพานก็สูงขึ้นไปเรื่อยๆแล้วก็กำหนดนิรุตติคือภาษา ภาษาที่มีความหมายลึกซึ้งแต่และเรื่องบางครั้งบางคราวเราเราขัดแย้งกันที่ภาษาคือว่าบางคนลืมไปว่าคำคำนี้ยมันใช่หมายถึงอย่างนี้ก็ได้เช่นคำว่านิพานนิพานในธรรมจั ก, กรวตรนสูตรส่งใช้หลายที่นะฮะส่งใช้ คำว่า น, นิพานก็มีคำว่า น, นิโรธก็มีคําว่าการดับตัณหาก็มีสละตัณหาก็มีคขายคืนตัณหาก็มีหลุดพ้นจากตัณหาก็มีไม่มีอะไรในตัณหานั้นก็มีจ็หมายเรื่องเดียวกันคืออัตถะเนื้อหามันเป็นอย่างเดียวกันทีนี้ถ้าเราไม่ศึกษาให้รอบคอบรอบดัานเราก็ไปเถียงกันในประเด็นเหล่านี้ ไปขัดแย้งกันในประเด็นเหล่าเรื่องไม่เป็นเรื่องก็ทําให้เป็นเรื่องขึ้นมาคนตามปกติแล้วการศึกษาเรียนรู้คนที่มีปัญญาจริงๆนั้นเขาไม่ถกเถียงไม่มีเรื่องจะถกเถียงเพราะอะรเพราะว่าสีรักษาเมตตาศีลท่านเสมอกันทิฏฐิท่านเสมอกัน พูดยังไจจงเจตมุตระธรรมว่าสุนมนบอกว่าเอากราบาพระพร้อมกันมันไม่มีใครมาถามมากราบทําไมกราบยังไงญ่กราบไปเพื่ออะไรกราบทําไมไม่มีใครถามอ่ะพอเราเข้าใจเนื้อหาส่งกันตอนนั้นไม่ใช่พูดอ่ะเป็นเรื่องการสวดการเจริญพระพุทธมนตร การแสดงความนอบน้อมต่อพระรัตนตรยัยเพราะอะไรเพราะว่าเรามีความเห็นตรงกันก็ไม่ต้องเถียงทีนี้คำว่านิรุธเนี่ยคือภาษาต่างๆภาษานั้นจะต้องเข้าใจทั้งพยัญชนะตัวอักษรแล้วก็อัฐในเรื่องใหญ่ คือเนื้อหานี่เป็นเรื่องใหญ่มากบางทีคำบางคำเนี่ยเราไม่เคยได้ยินอย่างในคำพีประไตรปิดกเนี่ยมันเรื่องเยอะที่เรายังไม่ได้ยินไปเจอข้าวก็ตื่นเต้นก็ต้องท่องไว้หรือว่าจดเอาไว้จำเอาไว้ แล้วก็พยายามกำหนดความหมายข้อความต่างๆเหล่านั้นให้ชัดเจนต้งฟังทั้งหลายเสียงธรรมจากมหาจัลัยศีปทุมในวันนี้ขอยุติไว้ด้วยเวลาเพียงเท่านี้ที่สุดนี้ข้อความเจริญงอกงามไพบูรในธรรมต้องมีแด่ท่านผู้ฟังทั้งหลายโดยทั่วกันสวัสดี